จะขอเอ่ยเผยคำนำขับขานเพลงประสานนตรีมีความหมายเรื่องของศูญส่งเสริมแห่งประเทศไทยเชิญหญิงชายตั้งใจ ฟังให้ดี